ในศาสนาเทวานิยมเนี่ยศาสนิกชนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยหัวดื้อเท่าไหร่นะก็เวลาเผายแผ่ก็ก็ชักชวนให้ให้นอบน้อมให้จงรักภักดีให้ซื่อสัตย์ให้เชื่อฟังนะแต่พุทธศาสนิกชนเราไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยหัวดื้อหน่อยนะคือที่จริงแล้ววันนี้อ่านในโพธิราชกุมารสูตร ทำเพียงมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาต์องค์คุณของผู้ที่ปฏิบัติความเพียร น, นะเพื่อบรรลุธรรมข้อต้นก็คือมีศรัทธาข้อต้นคือมีศรัทธาในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะศรัทธาในความเป็นพระอาหารหันตตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยเป็นคุณข้อต้นเลยของการบําเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ขาดศรัทธาแล้วขาดศรัทธาในคุณของพระตถาคตแล้ว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 ฉันนนายผู้ที่ถ้าเคารพพระธรรมหมวดนั้น น, นจริงๆที่เขาปฏิบัติเขาจะต้องเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้ามันเป็นคุณข้อต้นของการเจริญท่านบอกว่าของการเจริญมิปัสนาเลยนะคือศรัทธาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระธรรมคําสอนเหล่านี้เราจะแน่ใจนะว่าสิกขาที่เราปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริง อธิศีและสิกขาอธิจิตาสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่บำเพ็ญที่ประพฤติ ท, ที่ปฏิบัติน้อมไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบไหมนั่นแหละถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําให้เราประพฤติปฏิบัติตามด้วยสภาพจิตที่มั่นคงแต่ถ้าหากว่าเอพระพุทธเจ้าก็สงสัยแสดงว่าพระธรรมที่เราปฏิบัตินั้นก็ไม่มั่นใจก็ไม่ไม่มั่นใจ ถ้าหากว่าเอาที่ว่าพุทธศาสนิกชนที่ขาดความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพุทธศาสนิกชนนั้นๆเนี่ยนะขอมาเชื่อเลยว่าไม่มีความมั่นคงในธรรมะที่เขาปฏิบัติเท่าไหรถ้าถ้าธรรมะนั้นเป็นคําสอนนะเขาจะไม่มีความมั่นคงในธรรมะนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาอาจจะมั่นคงนะเพราะเป็นของบุคคลอื่นใช่ไหม เขาเคารพในบุคคลที่แนะนำเขาเอะนะเขาก็จะเคารพในบุคคลที่แนะนำเขาเขาก็นึกว่าเออนี่แหละสุดยอดแต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ใดก็าตามวันนี้นี่อ่านในในพระสูตรสูตรหนึ่งมีเจ้ามีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งฟังธรรมจากพระมหากัจจายนะฟังธรรมเสร็จนะเลื่อมใสประกาศแสดงความแสดงพระ พระมหากัจรยนะเนี่ยเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระมหากาจยนะเป็นสารณะพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษสุสงฆ์นั่นขอถึงท่านเป็นสารณะเลยพระมหากัจรยนะบอกว่ามหาบาพิตอย่าถึงอัตมาภาพว่าเป็นสารณะเลยขอให้มหาบาพิตถึงถึงสารณะที่อาตมานับถือว่าเป็นสารณะให้มหาบาพิตเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารณะของอาตมายอีกครั้งหนึ่ง น, นั่นแหละ ผ้ามหากัเจยนะนั้นจะดึงพระราชาพระ อ, องค์นั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่เขามีความหวังดีต่อสิทธิ์จริงๆเขาจะต้องชักชวนที่เรียกว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงพระไตรสรณคมเพราะเขาไม่ถือว่าเขาเป็นเจ้าของแห่งธรรมเพราะเพราะว่าครูอาจารย์เหล่านั้นก็จะต้องมีพระธรรมเป็น สารณะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะงะั้นก็พยายามชักชวนให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงไตรสารณะคมด้วยไม่ใช่ให้มาถึงมาถึงผู้นั้นเป็นสารณะเพราะว่าผู้ที่กล่าวธรรมเขาบอกว่าคนที่กล่าวธรรมนะคือคนอ่านสารทราชาเหมือนอาตมามาอ่านนี่แหละถ้าใครมาบอกว่าธรรมะของอาตมานะโอ้ตายเน่ยอยาก ร, อร้องไห้เลย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 บางทีเราเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังแท้ๆเลยแล้วก็เป็นพระสูตรที่ไปใช่จะต้องใช้อัดถาพยัญชนะต้องแปลอะไร <c oughs> ท่านผู้ฟังก็ยังอุตส่าห์แย่งจนได้ <c oughs> เช่น <c oughs> ผมเอาพระสูตรที่พระพุทภาคทรงตัดไว้ว่าถ้าผู้ใดนั้นมีศรัทธามีศีลมีสูตรตามีจารค้าปัญญานั้นเมื่อหากว่าเราทํากุศลอะไรแล้วตั้งความปรารถนาความปรารถนานั้นเนี่ยไม่ว่าจะปรารถนาเป็น คือหาบดีมหาสารพระมหาศารกษัตริย์มหาศารก็เป็นไปย่อมเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ตื่นไม่ขอโทษไม่ใช่ลึกอะไรมากมายนะแต่ก็ยังมีคนคัดค้านอีกอว่าทั้งทั้งที่ชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะรว่าเอแสดงว่าขาดความเคารพในพระธรรมในพระธรมรมเจนนคือค อ, อ ตัวเองอาจจะศรัท ธ, ธาพรร ม, มะหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรปฏิเสธพระสูตรคำสอนหมวดอื่นๆด้วยเพราะว่าคำสอนทั้งหมดนะ0 0พระธรรมคันก็คือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธรรมทั้งหมดทั้ง8 4 0 0พันพระธรรมคันคือมรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตกทอดมาจนถึงพวกเราทั้งหลาย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 ทนพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเราเนี่ยถึงกับกล่าววาจาวา่าพทธังธรรมังสังคังสารานรังฆาฉามีนะขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวไว้จะกล่าวไว้ที่ไหนก็ตามก็คือคําสอนของพระองค์เมื่อเป็นคําสอนของพระองค์เรากล้าปฏิเสธไหมนะหมายถ้าถ้าคนที่กล้าปฏิเสธเนี่ยของอดัมาเนี่ยเรียกว่าพูดไม่ออ ก, กนะเรียกว่าขนาดสิ่งที่ ที่เคารพยำเกรงที่สุดเขายังกล้าปฏิเสธคําของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์นะทีนี้ก็นอกจากเจริญกรุณาเจตสิกมากๆนะของมาเนี้ได้รับการแนะนําสั่งสอนมาว่าให้อธิษฐานไว้เถอะขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนะขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยขอสภาพเหล่านั้นอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยนั่นแหละ มีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งซึ่งเรามาเคารพมากท่านบอกว่าผมเนี่ยจะมีส่วนชั่วส่วนเลวยังไงก็ช่างแต่ขอให้ผมเลวแต่คเพียงผู้เดียวว่ากันอย่าได้ไปพาพพิงถึงพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์เลยคำสอนที่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดนี้ไม่ไม่ควรที่จะดึงมากลวกลัวในในตัวของขอ ง, ของท่านนะท่านก็แสดงในลักษณะนี้เพราะท่านเคารพยำเกรงมาก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 ที่เขาจะเคารพในศีกขาคือข้อปฏิบัติเมื่อไม่เคารพในศีกขาอย่าคิดว่าเขาจะเคารพในกัลยาณมิตรทั้งหลายนั้นศาสนานี่เสื่อมแล้วขณะนั้นนะเพราะว่าถ้าไล่เป็นขณะจิตขณะจิตใช่ไหมจิตขณะใดไม่มีศรัทธาจิตขณะใดที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะจิตขณะนั้นเนี่ยตกจากศาสนาจิตขณะนั้นมีศาสนาไหมมัมีแต่โลภะนะถ้าโลภะนั้นเป็นทิฏฐิด้วยโหศาสนาใครไม่รู้ตอนนี้ นะไม่ใช่คําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่ฉะนั้นขอให้เราพยายามตรวจสอบนะตรวจสอบพฤติกรรมคําพูดความคิดนะพระองค์สอนว่าเหมือนกับแว่นใช่ไหมนะสอนที่พระองค์สอนพระราหุนเหมือนกับแว่นคอยสอดส่องตรวจสอบนะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพบข้อเสียหายสังเวชใจแล้วก็สมาทานเอาใหม่นะถือความผิดพลาดพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอย่ามี แต่พง์บอกว่าความผิดพลาดเหล่านั้นที่มีแล้วสังวรต่อไปเธอสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าหากว่าเห็นข้อผิดพลาดแล้วไม่ไม่คิดจะทำคืนเขาเรียกว่าอารัชชีนะถ้าเป็นพระพระภิกษุนะถ้ารู้ว่าเออนี่เป็นอาบานะัติแล้วไม่คิดจะทำคืนนะประเภทนี้เรียกว่าอารัชชีเรียกว่าหรือรู้ว่าผิดแล้วก็ยังคืนทา ทำแล้วก็ไม่ทําคืนนี่คือคุณสมบัติของอัชชีผู้ที่ขาดฮิริโอตาปะไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริโอตาปะในกุศลธรรมเมื่อเขาไม่เคารพในกุศลก็น่าสงสารว่าเขาจะเคารพในพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเมื่อเขาไม่เคารพในพระผู้มีพระภาคแล้วจักเจริญงอกงามในศาสนาของพระองค์ได้อย่างไรเมื่อไม่เจริญในศาสนาของพระองค์แล้วสังสารวัฏนี่นะ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 ผมนี่เลือกเกิดนะถ้าผมเลือกเกิดเลือกเกิดให้มีพ่อแม่เป็นชาวเชียงใหม่นะเพราะพ่อแม่เชียงใหม่ผมสังเกตดูใจดีใจดีจริงๆเลยนี่มาไหนมาขาอว่าพ่อแม่ผมไม่ใจดีนะพ่อแม่ผมใจดีนะแม่เปนแี่มีแม่ตามมากเลยะแต่ผมสังเกตดูนะพ่อแม่เชียงใหม่นี่ไม่ค่อยดูลูกนะเจนพรใช่ไม่ค่อยดูนะใช่ะยมพุกการก็พูดกับลูกแมี่ยพราะมากเลยอ๋อยมพุกการถนัดใช่ไหมเจนพนพูดเพราะมาก <imen ode> โทรศัพท์ค mm ุยกับลูกนะโอ้คุยกับเหมือนกับให้เกียรติเต็มที่เลยอน่ารักนะน่ารักจริงๆนะคือคือเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าโลกมันหนามันเยอะเหลือเกินเราเดินแค่ว่าเขาเหมือนก็เข้าไปในสวนน่ะนะรองเท้าไม่มีสายเนี่ยไปเหยียบอะไรนักมาไม่รู้ะฉันใดเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยคือถ้ายุคคนต่ําอายุต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยน่าตังเกียรตมากโชคดีอย่างหนึ่งนะยังสํานึกเสมอว่าโห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 สังเกตดูเลยถ้าเป็นคารวาส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าสัตว์ไม่ตายเราไม่เราไม่โตนะหมายความว่าถ้าเราจะอิ่มมือหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสัตว์ตายหลายตัวนั่นมันเรียกว่ามันเป็นตราบาปนะซึ่งดูแล้วคงจะทําเหตุมันไม่ดีนะักแต่ก็มันก็ยุติธรรมเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็เท่ากับว่าประกาศขันท่าเป็นที่ดูบุญดูบาปว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเหตุเราทําไม่มากนะ แล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเรายังประมาทอยู่อีกก็บอกว่านี่เรียกว่าโอกาสชั้นดีละถ้าเขาอย่าปล่อยให้ขณะล่วงไปเลยเพราะว่าบุคคลที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปย่อมไปยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วเพราะน้ามาคำหนึ่งอยู่เสมอญาติเราไปอยู่ที่นั่นเยอะแล้วแต่คงไม่ไปเยี่ยมหรอกมีบุญมีอะไรก็จะอุทิศไปให้แล้วแต่ไม่มีไม่อยากไปเลยพอแล้วเข็ดเหกัน และบางแห่งเนี่ยนะเราไปในสถานที่บางแห่งเนี่ยนะคนเนี่ไม่มีศีลธรรมเลยนะเป็นทั้งบางคนเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยนะโอ้โหจิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไรมาเจริญทอนหน้าหน้า่ากลัวมากนะสภาพจิตเหล่านั้นเนี่ยจิตเหล่านั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาไม่ไร้ายผลแน่เมื่อเจตนาไม่ร้ายผลนะแล้วบาปเข้าจะไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมยังนึกเลย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 มันก็เป็นนมบูดนมเปรี้ยวไปอาหารที่ดูเหมือนอร่อยถ้าลืมเก็บทิ้งไว้เดี๋ยวก็บูดเดี๋ยวก็เน่าคิด ท, ท่านกล่าว บ, บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยนะทั้งหมู่บ้านเลยบางแห่งนะเจนพอ่อที่เบียดเบียนกันเองนะครเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วเบียดเบียนกันเองอนะเราเนี่เคยเห็นแต่สัตว์นะที่มันเบียดเบียนกันเองเช่นกบเนี่ยนะถ้ามาเรียงไว้นะ ถ้าอาหารในเพียงพอในตัวใหญ่กินตัวเล็กเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ต้องขอยแยกอยู่เลยนะครับเราไม่ต้องไปดูกบแล้วครับดูหมู่บ้านดูคนนี้แหละครับเหยียดเพียกันเองจริงๆครับไ ม, ไม่ไม่มีตัวใครตัวมันจริงๆเลยอะ่ะมีเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับรู้สึกเห็นโทษของของชีวิตมากนะขอมนุญาตถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมในโซนหนึ่งมันดูน่าจะเป็นสกูลอุเฉททิฏฐินะ คือสามารถที่จะทำลายตัวเองได้เลยอ่ามันคา่ามันไม่ยินดีสักมันไม่ค่อยสนุกอะ่ะโลกมันไม่โสภาสักอย่างเพฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ไม่สำเนียกให้ดีๆนะศึกษาผู้ศาสนาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหกรรมที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันอย่าปล่อยให้จิตเป็นบาปเลยแต่ปล่อยให้จิตเป็นบาปแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินคนที่ร้องเรียกสมหรับคนที่ให้ทานมาน้อย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 ตัวเขาเองไม่รู้เอาอะไรเป็นหลักว่ายุติธรรมที่สุดคืออะไรบางคนก็ถึงกับเรียกว่าเอากฎหมายบ้านเมืองมาเป็นหลักในการยุติธรรมนะแต่ก็นั่นก็ยุติธรรมระดับหนึ่งแต่เขาไม่เคยสแสวงหาความยุติธรรมในจิตของเขาเลยจิตของเขาที่ร้องเรียกหาความยุติธรรมอันนั้นเนี่ยจิตชนิดไหนเขายุติธรรมตัวตัวเองไหมเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจนั่นหละเขาก็ถือว่าคนโน้นทําให้คนนี้ทําให้มีแต่โทษคนอื่นตลอด แต่ถ้าพูดอย่างนี้ให้โทษตัวเองใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เพียงแต่ให้เห็นว่านั่นแหละอวิชาจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารเจตนาที่เป็นกรรมเหล่านั้นะมันมีโทษเมื่อกกรรมเหล่านั้นมีโทษทําอย่างไรจึงจะพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลายเหล่านี้นอกถ้าหากว่าไม่ศึกษาเรื่องปริญญาสามสัมปชัญญะสี่เป็นต้นนะทางอื่นไม่มีทางออกไม่มีทางออกที่เราจะพ้นจากเรื่องของกรรมเหล่านี้เลย นอกจากว่าทากรรมให้ดีขึ้นเท่านั้นเพื่อสังสารวัตบางช่วงดีขึ้นแต่กรรมในอดีตไม่ใช่จะไร้ผลถึงไปเป็นเทวดาอายุของเทวดาก็ไม่กี่ปีเมื่อเทียบกับสังสารวัตรอันยืดยาวนะข้อความในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวว่าสุขติหรือทุคติของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พักชั่วคราวตากแดดก็ชั่วคราว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 ถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะๆใครอายุสั้นใครตกนรกใช่ไหมถ้าหากว่าลักทรัพย์ทรัพย์สินเสียหายใครเสียหายประพฤติผิดศีลข้อสามเนี่ยนะโทษภัยต่างๆศัตรูเยอะเป็นต้นใครเป็นคนรับมูสาว่าไปที่ไหนมีแต่คนหลอกลวงใครเป็นคนรับถ้าเดิมเล่าเมาสุรามากๆเป็นปัจจัยให้บ้าใบ้สติปัญญาวิ ป, ปราชใครเป็นคนรับก็เจ้าของเจตานานั่นเอง แต่ว่าเจตนาขณะนั้นยังไม่แปรสภาพใช่ไหมเพราะว่ากรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปชาเวทนียกรรมกรรมบางอย่างเป็นอัปราปริยเวทนียกรรมนนะไม่ต้องร้องเรียกถ้าปัจจัยพร้อมเขาให้ผลแน่ไม่ต้องร้องเรียกของมันมเนี่ยไม่ต้องร้องเรียกเลยถ้าร้องมาทันทีเนี่ยเนันประโยค่สมบัติให้มากๆกัแล้วกันประโยค่ารอดก็เอาตัวรอดถ้าประโยค่าไม่รอดเนี่ยแย่ yeah. คล้ายๆกับว่าขอโอกาสเข้ามาแก้ตัวนะแก้ตัวพ้นหรือไม่ก็กำลังศึกษาทยาสายของเราเอเราจะแก้ตัวสาเร็จหรือเปล่าเนี่ย